สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนัทกรคนชอบเล่าคลิปนี้เรามาฟังเรื่องราวที่ท่านสมาชิกอยากจะฟังกันบ้างนะครับซึ่งต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาอาจจะซ้ำซากแล้วก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังจากที่อื่นมาแล้วแต่ก็เห็นว่ายังมีผู้ที่อยากจะฟังก็พอดีเลยครับที่คุณอาจจยมาฮาได้กรุณาแบ่งปันเรื่องราวมาโดยได้ที่มาของเรื่องราวจากสยามวารตีเป็นเรื่องราวของเหรียญบัตรตารครุฑแล้วเนื้อหาของเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็เชิญรับฟังครับ เรื่องเล่าอาถรรจาพรานป่าเกี่ยวกับประเด็นบาทตราคุดปีพุทธศักราช2517จากเหตุที่พรานป่าจะไม่ได้โยมแขวนพระเข้าป่ากันเพราะมีความเชื่อกันว่าพระเครื่องมีคุณค่าทางเมตตาหรือแคล้วคลาดหากแขวนเข้าป่าไปจะไม่ได้เจอสัตว์ป่าเลยซึ่งก็คือว่าจะแคล้วคลาดไปหมดและด้วยเหตุ น, นั้นพรานป่าจึงไม่คล้องพระเข้าป่ากันซึ่งเรื่องความเชื่อนี้ก็ต้องขอย้อนไปที่พรานสุกจากบันทึกพรานสุกเล่า ว, ว่า จะพกถุมพลาสติกใสซึ่งข้างในบรรจุด้วยผงยาสูบขี้โยใบยตองอ่อนตากแห้งและเปลือกมะขามไว้บดผสมยาสูบแล้วก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่พรานสุขใช้พกเป็นเครื่องรางพกติดตัวเวลาที่ต้องเข้าป่าไปโดยเก็บไว้ในซองยาสูบของแกนั่นก็คือเหรียญบาทราครุฑเป็นเหรียญที่แกพกเข้าป่าด้วยเป็นประจำแล้วลุงสุกใช้เป็นเครื่องรางยังไงครับผู้บันทึกถามแกการเข้าป่าและพักค้างคืนในป่านั้นพรานสุขบอกว่าเต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับ จากปากต่อปากของพรานป่าและคนตัดไม้เล่าขานสืบต่อกันมาว่าหากจะนอนในป่าไม่ว่าในบริเวณใดก็ตามให้ตอกตราครุฑไว้โดยตอกให้ได้ที่เป็นตราครุฑติดไว้เหนือบริเวณที่เราจะนอนเมื่อตอกเสร็จแล้วก็เก็บเรียนพกไว้เหมือนเดิมเช่นเช่นเดียวกันกับพรานสุขที่ในค่ําคืนแห่งการเผชิญผีป่ากับนางไม้พรานสุกเองก็ได้ขูดเปลือกโคนไม้ใหญ่แล้วก็ตอกตราครุฑประทับติดไว้เพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับตามคําบอกเล่าของพรานป่าและคนตัดไม้ และก็ได้ผลเป็นที่ปรากฏจากกา ร, รเผชิญกับผีป่านางไม้เหรียญบาทตราครุฑจะเป็นเครื่องรางที่ผู้เดินป่าพร้อมไพร์คนตัดไม้ต้องพกติดตัวเข้าป่าเพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับใช้แค่เหรียญบาทตราครุฑเท่านั้นไม่ต้องผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกแต่อย่างใดบทสรุปก็คือกระผมเคได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหรียญบาทตราครุฑซึ่งผมขอเรียกว่าเหรียญบาทพญาครุตก็แล้วกันเพื่อเป็นการเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่ของพญาครุฑซึ่งผู้เฒ่าท่านหนึ่งเคยเล่าให้ผมฟังว่า สมัยที่ท่านเคยตัดไม้และล่องไม้ไปตามแม่น้ำปิงมีไม้บางท่อนไม่ยอมไหลไปตามกระแสน้ำผู้เฒ่าท่านนี้จึงได้ลองเอาเหรียญบาทตรราครุฑตอกลงไปที่ไม้ท่อนนั้นปรากฏว่าไม้ท่อนนั้นกลับพลิกหมุนกลิ้งไปมาอย่างน่าแปลกประหลาดก่อนที่จะไหลาตามกระแสน้ำไปเช่นเดียวกับหมอผีบางท่านหากตรวจพบว่ามีสัมภเวสีเข้ามาสิงสู่อยู่ในเสาบ้านมีอันทําให้คนในบ้านอยู่ไม่เป็นสุขปกติหมอผีก็จะตอกเหรียญตราครุฑให้จมหายลงไปในเนื้อไม้คือตอกหายไปทั้งเหรียญ เพื่อนการสะกดผู้ผีให้อยู่ในภพในภูมิไม่ให้ออกมารบกวนใครได้แล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปฏิหารเหรียญบาทตราพยาครุตอีกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้รับจากแนวป่าดิบหรือจากประสบการณ์ในชีวิตประจําวันอยู่อีกมากแล้วแต่นักนิยมป่าหรือท่านใดจะได้เคยพบเจอดังนั้นเหรียญบาทตราพยาครุตจึงนับได้ว่าเป็นวัตถุที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองมากมายนะักจากเรื่องเหรียญเราก็ไปดูกันที่เรื่องของพยาครุตบ้างมาที่ตำนานพยาครุต ในตำนานของเมืองฟ้าป่าหิมะพานนั้นมีเรื่องราวของสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายหลายชนิดเช่นราชสีคดสีอันมีลำตัวเป็นสิง์แต่มีศีรษะเป็นช้างกินนรีกินนอนและสัตว์แปลกๆอีกมากมายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นมี2 อ, อย่างที่นับว่าเป็นเทพเดรัจฉานมีฤทธิ์มากก็คือ 1. พญานาคราชเจ้าแห่งบาดาลและอีกหนึ่งก็คือพญาครุฑเจ้าแห่งเวหานาคและครุฑต่างก็เป็นสัตว์ที่คู่กัน ซึ่งตามตำนานมีเรื่องราวเล่ากันว่าสายกยสิทธิ์ทั้งสองนี้มีบิดาเดียวกันก็คือมหาฤาษีกศิยาปะเทพบิดอนแต่คนละแม่โดยพยาครุษนั้นมีมารดาเป็นพันรยาหลวงส่วนนาคนั้นมีแม่เป็นพันรยารองซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาที่หนางทั้งสองนี้จะไม่ถูกกันก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปมีน้อยกับเมียหลวงจะให้ลงรอยเดียวกันนั้นยากมากทําให้มีเรื่องระหองแหงผิดใจกันตลอดและในที่สุด ความระหองรแห่งผิดใจกันทั้งสองนี้ก็ลุกลามไปจนถึงลูกจึงเป็นเหตุให้นากและครุฑไม่ถูกกันในเวลาต่อมาอันว่าพญานาคนั้นมีวิมานเคหสถานเป็นทิพย์อยู่ในบาดาลส่วนครุฑก็มีวิมานทิพย์อยู่ที่เชิงเขาไกรลาศกล่าวว่าองค์พญาครุฑนั้นมีนามว่าเท้าเวนไตหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเท้าสุบันมีกายเป็นรัศมีสีทองมีเดชอำนาจมากที่สุดในหมู่ครุฑ มูครุฑทั้งหลายอาศัยก็อยู่ตามต้นเงิ้วอาศัยผลงิ้วและดอกไม้จากต้นเงิ้วเป็นอาหารทิพย์ลูกของพญาครุฑนั้นจะโตขึ้นนับเวลาอายุเป็นข้างขึ้นข้างแรมตามจันทรคติเติบโ ต, ตด้วยบุญกุศลที่เคยทำมาหากลูกครุฑตนใดที่มีบุญญาทิ่การมามากอำนาจบุญจะบรรดาลให้เกิดผลเงี้วทิพย์และน้ำหวานจากดอกไม้มาบำรเรอลูกครุฑตนนั้นๆแล้วลูกครุฑตนดังกล่าวก็จะจำเริญไว้ได้รู้วดเร็ว ครุตเป็นสัตว์กึก่งโอปะปฏิกะหรือกึ่งผู้กายทิพย์คล้ายชาวลับแลและผู้พญานาคซึ่งอยู่อีกมิติหนึ่งจากโลกของเราผู้ที่จะสามารถเห็นครุตได้มันกับผู้ที่สามารถติดต่อกับพญานาคได้ก็เช่นเดียวกันล้วนแต่ต้องเป็นผู้มีวาสนาต่อกันมาตั้งแต่อดีตทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องสาธารณะที่จะรู้กันได้ทั่วไปเช่นเรื่องสามัญเรื่องของครุตเป็นเรื่องราวที่มีความอัศจรรย์ลดโผลยิ่งกว่าเรื่องราวของพญานาคเสียด้วยซ้ำไปแต่คนทั่วไปไม่คือรู้ เระไม่ค่อยศึกษาและอาจไม่ค่อยสนใจเท่าใดนักความจริงแล้วเรื่องครุฑเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเพราะทางฮินดูเขานับถือครุฑว่าเป็นเทพเจ้าสําคัญองค์หนึ่งแม้ในทางไทยเราเองทางสยศาสตร์ก็ให้ความนับถือเกี่ยวกับครุฑนี้มากดูอย่างตราแผ่นดินเองก็มีรูปลักษณะเป็นครุฑจึงน่าสนใจว่าครุฑนั้นคงมีอนุภาพบางอย่างและน่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในอีกมิติหนึง่งเช่นเดียวกันกับพญานาคถ้าท่านเชื่อว่าพญานาคมีจริง พยาครุตก็ย่อมมีจริงเช่นกันอำนาจของพยาครุตนั้นท่านว่าลึกลับมากนักในตำนานของฮินดูกล่าวว่าตั้งแต่แรกเกิดมานั้นพยาครุตก็มีรัศมีกายที่สว่างสวัยเป็นที่อัศจรรย์สอให้รู้ว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมีอนุภาพเป็นอเนกอ น, นันต์มีฤทธิ์วิชาผาาผลพิสดารทั้งนี้มีเรื่องกล่าวไว้อีกว่าครั้งหนึ่งพยาครุตเคยลองฤทธิ์กับองค์พระนารายมหาเทพหนึ่งในสาทั้งศาสนาพราหมณ์ การรบกันนั้นเป็นที่เรื่องหรือไปทั้ง3โลกกับท่านพยาครุษสามารถต่อสู้ด้วยความสามารถรบกันไปเท่าใดก็หาแพ้ชนะกันไม่จนในที่สุดพระนารายและพะยาครุษจึงตกลงกันว่าขอให้เสมอกันในการรบระหว่างเราและท่านพระนารายอนุญาตให้พยาครุษสามารถอยู่เหนือเสียนต้นได้และพะยาครุษก็นอบน้อมโดยการยินยอมให้พระนารายสามารถนำตนเป็นพาหนะไปะยังสถานที่ต่างๆได้เช่นกันจึงถือกันในหมู่ครูบาอาจารย์แต่โบราณว่า พญาครุฑเป็นเทพเดรัจฉานที่มีอนุภาพอิทธิฤทธิ์เทียบเท่ากับพระผู้เป็นเจ้าอย่างพระนารายอนุภาพของครุฑจึงเป็นที่อัศจรรย์ของทั่วโลกทัธาตุนอกจากนี้ยังมีประวัติอีกว่าพระอินท์เองก็เคยลองฤทธิ์กับพญาครุฑใช้วัชระฟาดพญาครุฑแต่องค์พญาครุฑเป็นกายสิทธิ์หาเป็นอันตรายแต่อย่างใดไม่พระอินทพยายามอยู่หลายทางก็ไม่สามารถทำอันตรายแก่องค์ครุฑได้ส่วนพระอินท์มีความเคารพในอนุภาพของพญาครุฑว่ามีฤทธิเดชเทียบเ ท, ท่าพระผู้เป็นเจ้าจริง ในที่สุดพยาครุฑจึงได้สลัดขนตนเองออกมา1เส้นและมอบไปแก่พระอินทเพื่อเป็นเกียรติแก่พระอินทด้วยเช่นกันจะเห็นได้ว่าตามตำนานที่กล่าวมาพยาครุฑเป็นเทพเดรัจฉานที่มีฤทธิ์ไม่ธรรมดาธรรมดาเลยมีอนุภาพมากด้วยเหตุนี้ครูบาอาจารย์ที่รู้จักศาสตร์ของครุฑเป็นอย่างดีจึงนำเอาสั ญ, ญลักษณ์เกี่ยวกับครุฑรูปครุฑต่างๆมาทำสมาธิบูชาเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิพลังงานอันลี้ลับทั้งนี้เพื่อการปกป้องคุ้มครองบ้างเพื่อความเจริญรุ่งเรืองบ้าง ดังที่เราจะได้เล่าให้ท่านทราบต่อไปสัญลักษณ์ครุฑสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินโดยสรุปจากตำนานแล้วครุฑคือสัตว์หิมพานอย่างหนึง่งแต่ไม่ใช่สัตว์สามัญธรรมดาเพราะพญาครุฑเป็นสัตว์กึ่งเทพเรียกว่าเทพเดรัจฉานซึ่งมีอำนาจเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพาหนะของพระนารายอย่างหนึง่งในเมืองไทยเรานับถือพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพเป็นองค์นารายอวตารจึงมีการใช้ธงรูปครุฑและมีครุฑเป็นสัญลักษณ์ประจำแผ่นดิน สามารถพบเป็นรูปครุฑไดจากเอกสารต่างๆของทางราชการและนับว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารศักดิ์สิทธิ์หากราชการผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ใดมีความสุจริตจงรักภักดีต่อแผ่นดินองค์พระมหากษัตริย์และหน้าที่ของตนองค์พยาครุฑก็จะส่งพลังป้องกันให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่นอกจากนี้ยังมีกฤิ่นความเชื่อว่าหากที่ใดมีอาถรรพ์แรงท่านให้นําเอาตราครุฑไปติดจะทําให้อาถรรพ์นั้นเสื่มสลายไปในที่สุดตราครุฑล้างอาถรรพ์ได้ จึงเป็นที่เชื่อถือกันมาตลอดและได้รับความเคารพ บ, บูชาว่าเป็นของสูงเสมือนหนึ่งตัวแทนแห่งองค์พระประมุกผู้ใดมีสั ญ, ญลักษณ์ครุฑรูปครุฑบูชาไว้ย่อมได้อันนี้ส่งมากอาทิความเจริญแก่ตัวเองและครอบครัวเป็นต้นดังนี้แล้วครุฑจึงเป็นของสูงที่เราควรรู้ควรบูชาอย่างหนึ่งคนโบราณมีความเชื่อสืบกันมาว่าครุฑเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองมหาอํานาจอย่างเด็กผู้ใดที่เกิดมาแล้วมีลักษณะปากคล้ายพยาครุฑ ท่านว่าคนผู้นั้นจะเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตสมเด็จเจ้าแตงโมพระสังฆราชพระองค์หนึ่งท่านก็มีลักษณะปากดังครุดปรากฏว่าเป็นผู้มีปัญญาดีและได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชสิทธิอำนาจพยาครุษสัตกยสทิที่ไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าให้ตายได้มีอายุยืนเสมือนว่าเป็นอมะตะนั้นนับเป็นเรื่องลี้ลับที่ผู้รู้พยายามค้นคว้าและสาะหาที่มาแห่งพลังอำนาจดังกล่าวจนเกิดการสร้างเครื่องราง้างต่างๆขึ้น อำนาจพยาครุษสามารถจำแนกได้ถึง8ประการโดยนับเอาอำนาจหลักๆได้ดังนี้คือ 1. เป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาด 2. สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณใส่ทั้งปวงผู้ผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ 3. เป็นสื่อ น, นำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน 4. ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพันห้าเมตตามหานิยม 6. นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ 7. จ็ดทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาภนานาประการ 8. สัตว์ร้ายเขี้ยวงาสารพาัดงูเงี้ยวเขี้ยวขออสรพิษไม่กล้าก้ำกลายเข้าใกล้เพราะเกรงตบะบา ร, รมีขององค์พยาครุฑเป็นที่สุดอำนาจพยาครุฑยังมีมากกว่านี้อีกมากแล้วแต่ว่าท่านใดจะรู้จักใช้ในตำราทางสยเวทพุทธาคมมีทั้งการใช้ยานครุฑให้ได้ผลดีในทางคงกระพันชาตรี มีน้พยาครุตใช้ลงตบเข้าณภาผากเป็นคงกระพันชาตรีการเขี้ยวงาอสรพิษได้ทางน้พยากรุตนี้เมื่อประสิทธิ์ลงไปยังตัวผู้ใดแล้วยังสามารถโทรหดอดทนเดินทางไกลไม่เหนื่อยเป็นวิชาตัวเบาชั้นยอดและยังเป็นเมตตามหานิยมชั้นสูงอีกด้วยยังมีคาถาพยาครุตซึ่งเมื่อกล่าวพระคาถานี้งูพิษรวมไปถึงตะขาบแมลงป่องและสัตว์ร้ายต่างๆทั้ ง, ง, งหลายจะหลบหนีไปเส้นโดยพระคาถาพยาครุตท่านว่าดังนี้ อมพยาครุษจะเห็นผลหลีกไปให้ผลพยาหุ่นจะเดินทางเคาะงอเคาะงองก่อนว่าพระคถานี้ให้ในมรสการพระรัตนตรยัยเสก่อนด้วยนโมสมจบแล้วท่องพระคถานี้ก่อนออกเดินทางตั้งสติส่งจิตไปถึงพยาครุษจะปลอดภัยทุกประการและเมื่อพูดถึงเรื่องเหรียญตราครุษแล้วกับเรื่องราวของพยาครุษผมก็ต้องขอขอบคุณสิบเอกธรรมรักดวงจันทร์ภาหา ทีได้กรุณาส่งหม้อประเียนบาทตราครุฑปีพุทธศักราช2517มาให้ผมนะครับนึกนึกไปช่วงนี้ชีวิตกําลังมันมันสงสัยต้องขออัญเชิญท่านลงมาจากหิ่งนํามาห้อยคอดีกว่าครับอย่างน้อยก็จะได้อาศัยอํานาจของท่านพระเดชและพระคุณช่วยนําพาให้ผ่านพ้นปัญหาที่กําลังประสบอยู่นี้ไปได้ขอบคุณสําหรับน้ําใจอีกครั้งนะครับก็จบไปครับสําหรับเรื่องราวของพยาครุฑกับเหรียญบาทตราครุฑแต่เรื่องราวที่คุณอาร์ส่งมาอย่างไม่จบครับในมีอีกเรื่องหนึ่ง ตำนานของวัดหมื่นสารจังหวัดเชียงใหม่เสิงหแห่แผบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องราวของคุณอาร์ตก็มีอยู่ว่าตอนที่ผมอบรมมัคคุเทศผมชอบมานั่งอ่านหนังสือที่วัดนี้บ่อยๆจนรู้มาว่าที่มาของชื่อวัดนี้มีที่มาว่าหมื่นศารเท่ากับข้าวสารที่มีน้ําหนักถึงหมื่นผมจะเล่าตำนานวัดนี้ให้ฟังครับวัดหมื่นศาลตั้งอยู่ในย่านถนนวัวลายจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นย่านที่มีชื่อเสียงในการท่องเที่ยว เ น, นจากถนนวัวลายเป็นถนนคนเดินเชียงใหม่มีชื่อเสียงเรื่องเครื่องเงินแต่หากจะย้อนกลับไปในอดีตที่ยาวนานวัดนี้จะตั้งอยู่นอกประตูเมืองเชียงใหม่มาพอสมควรและวัดนี้ในสมัยอดีตก็เป็นวัดที่มีตำนานเสือเย็นอยู่ด้วยกล่าวคือตามตำนานนั้นมีพระเจ้าว่าซึ่งเป็นผู้มีอาคมแก่กล้าแต่ท่านไม่สามารถควบคุมพลังแห่งอาคมนั้นได้เป็นเหตุให้ของเข้าตัวเมื่อตกดึกเที่ยงก็จะมีเหตุการณ์ประหลาดเหตุการณ์ประหลาดก็คือ ทั้งพระและเนนเด็กวัดหากันสุญหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุทุกคืนทุกคืนเมื่อเวลาล่วงไปยามดึกก็จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปเนนก็หายพระก็หายเด็กวัดก็หายไปจนการเวลาต่อมาทั้งวัดเหลือแต่เพียงเจ้าอาวัดเพียงรูปเดียวและหากว่ามีพ่อขาบัวต่างแดนเดินทางมาขอค้างคืนที่วัดฝูงวัวควายาาก็มักจะสูญหายด้วยเช่นกัน ทำให้เมื่อวันเวลาผ่านไปยิ่งนานเท่าใดวัดนี้ก็แทบไม่มีใครกล้าเข้าไปค่งแวะและก็ไม่มีพ่อค้าเวัวหรือผู้ใดเข้าไปขออาศัยนอนเป็นเหตุให้วัดนี้เกือบจะกลายเป็นวัดร้างไปเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่มีบรรยากาศดูวังเวงเงียบเหงามีเถาวัลย์ไม้เหลือขึ้นปกคลุมไปทั่วทำให้ชาวบ้านหรือผู้คนที่ต้องเดินทางผ่านไปมามีความรู้สึกหวาดกลัวเป็นเหตุให้เกิดการเล่าลือขึ้นมาว่าพระเย็นหรือเจ้าอาวาสกลายร่างเป็นเสือได้ในเวลากลางคืน จึงได้จาบพระเนรรูปอื่นๆกินจนหมดแต่ว่าบางกลุ่มก็ยังไม่ปากใจเชื่อจึงยังมีผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนายังคงใส่บาตรเป็นประจำ จ, จนวันหนึ่งมีพ่อขาวัวเดินทางมาพวกข้าวัวพากันมาขอพักค้างแรมที่วัดเกือบจะร้างแห่งนี้พอตกดึกก็ได้ยินเสียงวัวตื่นร้องอย่างตกใจเหมือนเราพบสัตว์ร้ายพวกวัวพากันเตลิดออกจากหลักแล้วก็พากันวิ่งแตกตื่นกันไปทำให้พ่อขาวัวต้องตามหาวัวกันทั้งคืน ในที่สุดก็ได้พบวัวของตนนอนตายถึง 3-4 สี่ตัวสภาพศพของวัวที่ตายมีรอยกัดและรอบรอบที่วัวนอนตายมีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่ด้วยพราะขา ว, วัวตกใจมากกับภาพที่เห็นพอรุ่งเช้าจึงรีบต้อนวัวออกจากวัดไปอย่างรีบร้อนด้วยความหวาดกลัวข่าวนี้ลือไปทั่วส่งผลให้ไม่มีผู้ใดกล้าเข้ามาพักที่วัดนี้อีกชาวบ้านก็ต่างหวาดกลัวไม่มีใครกล้าลงจากบ้านในเวลายามค่าคืน กระทั่งวันหนึ่งมีพ่อค้าต่างถิ่นได้พาลูกค้าเข้าไปพักอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในละแวกใกล้เขียงขณะที่กลุ่มพ่อค้ากําลังนั่งกินอาหารกันอยู่นั้นคนในหมู่บ้านก็ได้เตือนด้วยความหวังดีว่าจงระวังที่จะเดินทางผ่านป่าแห่งนี้นะเพราะมีเสือร้ายตัวหนึ่งคอยดักทําร้ายอยู่คนที่ผ่านไปผ่านมามักมีรอดตายกันเสมอพอพ่อค้าได้ฟังก็พูดว่าแล้วทำไมไม่มีใครคิดข่าวเสือตัวนี้หะ่ะในเมื่อมันเป็นภัยแก่คนเดินทางเช่นนี้ก็ได้รับคําตอบกลับมาว่า มีแต่ไม่มีใครรอดเลยแล้วก็ยังหาไม่พบแม้แต่ซากศพด้วยอีกซ้ำเสือตัวนั้นก็จะหายไปโดยเสมอทุกครั้งที่มีคนออกไปล่าแล้วก็หายไปทิ้งไว้แต่คราบเลือดพ่อพ่อขาหนุ่มนั่งคิดถึงเสือร้ายเขาคิดว่าคงเป็นเสือเย็นเป็นแน่เขานึกถึงคำของอาจารย์ที่เคยพูดถึงเสือเย็นครั้งที่เคยเริ่มเรียนวิชาอาคมจากอาจารย์เมื่อครั้งยังเป็นสมณเพศอยู่ทางใต้เขาเรียกว่าเสือสมิงแต่ทางเหนือเขาเรียกว่าเสือเย็นมันเป็นอันตรายไม่น้อยไปกว่าเสือจริงๆ แต่ก็คงจะเก่งกล้าไปกว่าอาจารย์ไม่ได้พราขาหนุ่มคิดดังนั้นแล้วก็กล่าวขอบคุณชาวบ้านที่กรุณาเตือนจากนั้นเขาก็พาลูกหาบเดินผ่านป่ามาจนค่ำจนมองเห็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวมีศาลาเก่าๆพอที่จะอาศัยนอนได้เขาจึงรีบเดินตรงไปยังวิหารเพื่อนำมรสการเจ้าอาวาสขออนุญาตพักแรมพระเย็นเจ้าอาวาสเป็นพระสูงอายุรีบก้าวออกมาจากประตูวิหารอย่างรวดเร็วคล้ายกับว่ามองเห็นมาแล้วแต่แรก สายตาของท่านคมคลเหมือนตานกเหยี่ยวที่คอยจ้องเหยื่อพ่อขาเดินทางจึงได้เอกความประสงค์ขอพักค้างคืนที่ศาลาพร้อมด้วยลูกหมาและม้ากับวัวพระเย็นอาปากโหัเราะเสียงแหลมลึกเห็นฟันสีเหลืองคล้ายเขี้ยวของสัตว <c oughs> ์เออเออพักตามสบายจะยุ <c> ่ม <oughs> ไม่มีอะไรรอกไม่มีอะไรจริงๆแถวนี้ปลอดภัยปลอดภัยทุกอย่างเว้นแต่ ไม่มีอะไรจริงๆอัตมาบูรเล่นนะพ่อขาหนุ่มก้มลงกราบขอบคุณแล้วก็กลับมาเตรียมอาหารที่ศาลาพร้อมกับจัดเวรยามป้องกันข้าวของพอกินข้าวกันเสร็จนั่งคุยกันพักหนึ่งแล้วก็เข้านอนโดยยังมีเวรยามเฝ้าอยู่สองคนนอนกันได้พักหนึ่งก็ได้ยินเสียงพระเย็ยนตะโกนถามมาว่าโยมยังไม่นอนอีกหรือเด็กเดินป่านนี้แล้วนะอย่างก่อนพระคุณเจ้ายังน้อนไม่หลับครับ นอนซะเถอโยมดึกแล้วพรุ่งนี้ต้องเดินทางไกลไม่ใช่หรือพราขาหนุ่มก็ตอบว่าขอรับพระคุณเจ้าจะนอนอยี๋ยนี้แหละครับผ่านไปพักใหญ่ก็ดีหินเสียงพระเย็ยนเจา้าว่าถามขึ้นมาอกีกโยมหลับกันหรื อ, อยังน่ะเอาอีกแล้วเสียงหอบกังวาลประหลาดดังมาจากวิหารเป็นครั้งที่2องพรขาจึงตอบไปว่ายอมยังไม่หลับขอรับเขานอนลืมตาคิดไปคิดมาจนเวลาล่วงเลยไปสองยามผันไปมองผู้ลุกขับก็หลับกันหมดแล้ว พวกอยู่ยามก็นั่งสลืมเสลอแต่ตัวเขานอนไม่หลับยังคงลืมตาแป๋วอยู่ในความมืดหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงถามมาอีกครั้งหนึ่งโยมนอนกันหรื อ, อยังเนี่ยครั้งนี้เขานิ่งไม่ตอบแต่เอามือข้างหนึ่งหลงลงไปในยามควานหาควายจันูของเขาที่พกติดตัวมานํามาถือไว้สักครู่หนึ่งเขาก็ได้ยินเสียง <No. S 1> เป็นสิยงครั้งคํารามของเสือร้าย พ่อขหนุ่มรีบผุดลุกขึ้นแล้วก็รีบแอบเดินย่องไปยังประตูวิหารเขาพยายามเพ่งมองไปในวิหารตามรูไม้ตรงประตูซึ่งมีรูพอให้มองเห็นข้างในได้ถนัดจากแสงเทียนอันสลัวเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวกับภาพที่เห็นเมื่อสิ่งที่เขาเห็นนั้นคือเจ้าอาวาสแต่แ บ, บัดนี้สภาพร่างกายกลับไม่ใช่คนท่อนล่างตั้งแต่เอวดูเหมือนจะเปลี่ยนไปลักษณะเป็นเครื่องกลางลำตัวของไอ้ลายมีหางเสือยือนออกมาแกว่งไกวไปมาแต่ท่านบนยังคงสภาพเป็นมนุษย์ที่มีผ้าเหลืองคลุมอยู่ เขาตะลึงงนันจ้องมองอยู่จนกระทั่งร่างนั้นทั้งร่างค่อยๆกลายเป็นไอ้หลายพาดกลอนตัวใหญ่เสือเย็นนี่เองเขาคิดเสือเย็นอันเกิดจากพระที่อาคมขลังแก่วิชาจนตัวเองต้องกลายร่างเป็นเสือเพราะร้อนวิชาพอกลายร่างเป็นเสือสมบูรณ์มันก็รีบกระโจนออกไปที่หน้าต่างกระโจนเข้าตปะปบวัวที่พ่อขานํามาด้วยทั้งหมาและวัวร้องด้วยความกลัวพวกลูกหาตื่นเต้น อ, อกสันขวัญหายไป ต, มตามๆกันแต่พ่อขาหนุ่มยังคงแอบซุ่มดูอยู่ที่วิหารเพียงคนเดียว ได้ินเจสเออร์ร้ายร้องคำรามอีกฮกเดียวแล้วก็เพนหายไปในความมืดพักหนึ่งก็มีเสียงดังสนั่นของการต่อสู้เกิดขึ้นมันคือเสียงของควายทะนูกับเสือร้ายกำลังต่อสู้กันเหมือนจะเอากันให้ตายไปข้างหนึ่งข้างใดก็ไม่ปานทั้งเสียงควายและเสียงเสือร้องลั่นสนั่นแทบปาแตกพ่อขาหนุ่มรีบกลับเข้ามานั่งที่ศาลาสั่งการทุกคนให้ระวังภัยรอบตัวให้ดีแล้วก็นั่งฟังเสียงสู้กันในความมืดจนกระทั่งเสียงต่อสู้เงียบลงแต่ก็ยังคงไม่มีใครนอนอยู่ยามกันจนเช้าไปเลย พอรุ่งเช้ามาถึงมีกลุ่มชาวบ้านมาที่วัดเพื่อมาดูว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เสียงดังไปทั่วก็ได้มาเจอกับกลุ่มของพ่อค้าและพ่อค้าก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังจากนั้นจึงได้พากันไปที่วิหารหลังนั้นปรากฏว่าพบพระเย็นเจ้าวาวาสนอนมรณภาพอยู่ที่ลําตัวในผ้าเหลืองคลุมมีร้อยแผลเวอ่อวัเหมือนถูกควายขิดจนเลือดคละคลุ้งข้างหลังวิหารก็ยังปรากฏว่ามีกองกระดูกคนและสัตว์กองอยู่มากมาย ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเย็นคือเสือร้ายที่มารบกวนต่อมาชาวบ้านจึงรวบรวมข้าวสารที่มีน้ำหนักถึงหมื่นเป็นของรางวัลแก่พ่อค้าที่สามารถปราบเสือเย็นได้สําเร็จแล้วก็ได้ช่วยกันบูรณะวัดแล้วก็นิมนต์พระมาจําวัดโดยตั้งชื่อวัดใหม่ว่าวัดมื่นศาลจากตำนานพื้นบ้านเรื่องนี้ส่งผลให้เสือเย็นเกิดเป็นสัญลักษณ์ของความดุร้ายน่ากลัวในสังคมวัวลายชาวไทยใหญ่เชื่อว่าเสือเย็นเป็นวิชายอย่างหนึง่ง การเริ่มเรียนวิชาเสือเย็นจะต้องฝากตัวกับอาจารย์ผู้เรียนจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์เมื่ออาจารย์แน่ใจว่าศี์มีความประพฤติและจิตใจดีอาจารย์ก็จะสักคาถาบนไหลของผู้เรียนและปลุกเสกทับลงไปเมื่อผู้เรียนต้องการจะแปลงกายเป็นเสือก็จะท่องคาถานี้จนเนื้อตัวสั่นดิ้นไปมาสักครู่ก็กลายร่างเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่แต่วันใดหากผู้เรียนทำผิดศีลก็ห้ามต่อครูอาจารย์วิชาก็จะเข้าตัวไม่ผลต้องกลายมาเป็นเสือร้ายกินคนเชกเช่นเดียวกับพรายเย็น ปัจจุบันชาวบ้านแถวนี้เชื่อกันว่าเสือเย็นได้กลายมาเป็นผู้ดูแลปกป้องวัดและจะคอยปกป้องผู้ที่มาบูชาให้พ้นจากอันตรายได้นอกจากนี้หลายพื้นที่ยังเชื่ออีกด้วยว่าเสือเย็นจะไม่ทําร้ายผู้คนบริสุทธิ์แต่หากจะคอยดูแลปกป้อ ง, องพระธิดงที่มาปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่เดินทางผ่านแนวป่าไม่ให้ได้รับอันตรายและนี่แหละครับตำนานของวัดมื่นสารถ้าจังหวัดที่ผมอยู่ครับผมและก็จบลงนะครับสําหรับเรื่องราวที่คุณอารจะมาห้าได้กรุณาแบ่งปันมา และต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับสิ่งที่แหบธรรมดาก็แหบอยู่แล้วแหละแต่ครั้งนี้แหบมากขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับแล้วก็ยังคงส่งเรื่องราวมาได้อีกเรื่อยๆนะครับส่วนผมก็ต้องลุ้นต่อไปว่า u t u b e จะอนุมัติหรือเปล่าแต่ก็เชื่อมันเถอะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็น่าจะอนุมัติแหละเอาเป็นว่าตอนนี้เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ารวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมดุสติปั ญ, ญญาในการดรํารงชีวิต เป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ